บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปกระแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดมาถึงเรื่องอยายตนะปภะคือหมวดที่ว่าด้วยอยายตนะได้แก่ตาหูจมูกรินกายใจซึ่งเป็นภายในใรูปเสียงรินรถโภทภะที่ตาเห็นเป็นต้น ท่านเรียกว่าอยายตนะภายนอกจากการเห็นรูปเป็นต้นนั่นเองในกรณีที่เกิดความรู้สึกในแนวกิเลสพระพุทธเจ้าก็ทรงสัง่งสอนไว้ในหมวดนี้ซึ่งธรรมะกลุ่มนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นสังเกตได้ว่าอยายตนะภายในภายนอกนั้นก็คือทุกขสัตย์ อย่าเว้นแต่ส่วนที่เป็นธรรมารมคืออาจจะเป็นมรรคสัตว์อาจจะเป็นสมุทัยสัตว์อาจจะเป็นนิโรธสัตว์ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตในขณะนั้นๆส่วนตาหูจมูกลิ้นกายและรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่จริงก็คือสภาวะตามธรรมชาติถึงเราจัดอยู่ในกลุ่มของทุกษสัตว์ เป็นสิ่งที่ทรงสอนในแนวให้กาหนดรู้ความจริงตามสภาพของสิ่งตอนนั้นเพราะสิ่งตอานั้นเป็นอยู่มีอยู่โดยเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของธรรมชาติปุจ้าะจะเกิดขึ้นหรือไม่ได้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้นก็คงเป็นอยู่อย่างนี้เองส่วนของสังโยชน์ที่ตันแปลว่ากิเลสเป็นเครื่องผูกใจสัตว์นั้น ก็คือกลุ่มของสมุทัยสัตว์เพราะในจุดนี้เราก็มาเรียนสองจุดแต่จุดเน้นจริงๆเนี่ย ส, สอนให้ดูที่สมุทัยสัตว์คือกลุ่มของกิเลสก็เป็นปรยายก็เทศนาคือแสดงโดยนัยหนึ่งจริงเราก็พูดเรื่องกลุ่มของกิเลสมาเรื่องของนิวร์ครั้งหนึ่งแล้ว แต่ลองสักเกตว่านิวร น, นั้นเป็นกิเลสที่ฟูขึ้นแล้วคือปรากฏอยู่ภายในจิตในขนาดนั้นๆพระเจ้าก็ทรงสอนให้ดูที่จิตว่าจิตมีนิวรนข้อใดข้อหนึ่งอยู่หรือไม่ถ้ามีก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงแล้วมองให้เห็นโทษของนิวรน ก็พยายามศึกษาสืบสาวถึงที่มาที่แท้จริงของนิวรในแต่ละข้อเมื่อใจใจได้มองเห็นโทษแล้วก็มุ่งที่จะสงบนิวรอกนั้นก็ศึกษากรรมิธีในการดับนิวรก็ใกล้ยๆกับการศึกษาสืบสาวถึงสมุดฐานของโรค แต่มองเห็นโทษของโรคมองเห็นโทษของสมุททานแห่งโรคระ้เบียนพยายามดับที่สมุทฐานดับครั้งแรกอาจจะดับไม่ได้ก็ใช้วิธีบรรเทาไปก่อนลดความเจ็บปวดลดความทุกข์ทรมานไปก่อนในช่วงต่อไปก็ศึกษาว่ามันสงบไปแล้วหรืองับไปแล้วหรือแม้แต่ดับไปแล้วในขณะนั้นๆ คือทำอย่างไรจะไม่ได้เกิดขึ้นอีกก็ทำนองเดียวกับการต้องการตัดสมุดฐานของโรคให้ขาดไปเพื่อโรคเหล่านั้นจะไม่กำเริบขึ้นอีกในชีวิตแต่จริงเรื่องของโรคก็คงพูดได้ในแนวของอุปมาเราจะต้องมีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแม้โรคนั้นจะหายไป ในอาการปฏิบัติที่ทรงวางไว้นั้นคือมีเป้าสูงสุดอยู่ที่การดับอย่างสิ้นเชิงอันที่จริงก็ต้องผ่านขั้นตอนเป็นอันมากแต่อย่างนั้นก็ทรงสอนให้รู้พอมาถึงสังโยชน์ที่จริงก็คือกิเลสกิเลสเช่นเดียวกับนินวรณ์แล้วก็อาการเดียวกับนิวรณ์แต่ความเข้มข้นมาต่างกัน แตว่าท่านทั้งหลายลองคิดเป็นรูปธปรรมสมมติเราตักน้ำใส่ภาชนะที่เป็นแก้วถึงจุดหนึ่งมันมีตะกรอยู่ข้างล่างน้ำข้างบนใส่ถ้าไม่ได้มองดูที่ตะกรอตรงนั้นก็ข้างบนก็ใส่ถ้าเรามองเฉพาะจุดนั้นตะกรอตรงนี้แหละที่ท่านเรียกชื่ออยู่สามชื่อใหญ่ บางครั้งจะเรียกอาสวะเป็นลักษณะกิเลสที่หมักหมมสะสมอยู่ภายในใจอาสวะนั้นเป็นชื่อของเครื่องดองทั้งหลายบางเครื่องดองมาเป็นรูปธรรมแต่ตัวอาสวะเองเนี่ยมันเป็นนามรรมทินการจอธิบายอาสวะมันอธิบายยากพระเจ้าก็ส่งใช้คำว่าอาสวะ ให้เทียบเคียงกับเครื่องหมักดองทั้งหลายที่มีการสะสมกันอยู่ก็มีแก๊สที่เป็นพิษบางทีก็มีอันต ร, รายในจุดนั้นๆบางทีก็เรียกว่าอนุใสคือมันสงบดิ่งอยู่ภายในไม่มีใครมาขยับแก้วมาจับแก้วให้กระเทือนแรงๆน้ำมันก็ตะกอนน้ำก็ไม่ขึ้นมา แล้วบางทีก็เรียกว่าสังโยชน์แปลว่าสิ่งที่เชื่อมโยงใจสัตว์เอาไว้เพราะแนวสังโยชน์เนี่ยหมายความว่าเราจะอยู่ในที่ใดก็ได้อาจจะเกิดสูงสุดเป็นพรหมไปแล้วหรือแม้แต่เป็นพระพรหมระดับอนาคามีที่เรียกว่าสุตตาวาสหรือบริสุทธิ์มากแล้วแล้วก็มีสังโยชน์อยู่ภายในใจกับท่านบ้าง เป็นการผูกล่ำคนเอาไว้ไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏเป็นการพูดถึงกิเลสที่ละเอียดประณีตแล้วก็มีคำอีกสองคำที่เรียกอยู่มากก็คือการถะแปลว่าเครื่องร้อยรัดหรือผูกรัดเอาไว้เรียกวโยคะคล้ายๆกับเป็นกรงขังเลยไปจี้ขังเอาไว้ สิ่งที่นำมาเรียกนั้นเป็นรูปธรรมทั้งหมดเพราะคำเหล่านี้เป็นคำบัญญัติเรียกเพื่อคนเข้าใจถึงสภาวะธรรมชาติที่มีอยู่ภายในใจเรื่องผูกมัดก็ดีกรงขังก็ดีเราก็เห็นกันได้แต่การจะทำความเข้าใจมันต้องน้อมนึกเอาว่าคนที่ถูกมัดเอาไว้เนี่ยมันไม่มีอิสระ จะทำอะไรก็คือหนัดขัดข้องไปหมดสูญเสียเสยรีภาพอิสรภาพถูกพันธานาการจะ เ, เดินจะเหินจะทำอะไรมันก็ขัดข้องไปหมดก็ต้องนึกถึงภาพตรงนี้หเห็นด้วยแต่คนที่อยู่ในกรงขังก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะแนวหลานี้ไม่ใช่ใช้เฉพาะตรงนี้แต่ก็ทรงใช้ที่เราเคยพบมาแล้วในดีวอร์ ทรงอุปมาการมฉันคือกิเลสประเภทโลคที่จริงในชื่อทั้งหมดที่กล่าววันนั้นมันก็ไม่มีอะไรหรอกเป็นโลคหลุดหลงที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันปัญโกที่มีชื่อดังกล่าวมันก็เหมือนกตะกรอที่อยู่ใต้ก้นภาชนะอยากกระแทกก็แล้วกันภาชนะไม่ขยับไม่เคยเยื่นตะกรอ น, นั้นมนก็ไม่เกิดขึ้น เพราะตรงนี้พระเจ้าจึงทรงใช้คําว่าสังโยชน์มันเกิดหมายความว่าตาถูกกระแทกโดยรูปที่เรารักเราชังหูถูกกระแทกโดยเสียงที่เราเกิดรักเกิดชังจมูกกลิ้นกายก็ถูกกระแทกโดยกลิ่นโดยรสโดยสัมผัส ท, ที่เราเกิดความรักความชังคือมีข้อแม้ต้องเกิดความรักความชังแต่เราเฉยๆกิเลสมันก็คงสงบอยู่ ซึ่งจะสังเกตได้ว่ามีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นนั้นมากที่กระทบใจเราแต่ไม่ถึงกับกระแทกใจกระทบแล้วก็ผ่านเลยไปกระทบแล้วก็ผ่านเลยไปเราไม่สนใจโดยซ้ำว่ า, าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสอะไรตรงนี้กิเลสมันไม่เกิดแต่ในขณะเดียวกันธรรมะมันไม่เกิดมันเป็นอาการของอะไรเป็นอาการของโมหะคือเราไม่รู้อะไรเป็นอะไร แตที่บอกว่ากิเลสประเภทโมหะนั้นมันก็คลึ้มครืมอยู่ถ้าเรามองให้เป็นควันไฟมันก็ควันที่กลุ่นๆ ก, ก็ลอยตัวบนกองไฟนั่นเองแต่มองที่กองไฟก็ใล้ายๆกับไฟแกรบหรือไฟที่จุดที่ฐานถิ่นดูแลใกล้ายๆจะไม่เคยร้อนเท่าไหร่แต่มันร้อนมหาศาล กิเลสประเภทนี้จึงมีโทษมากโดยแล้วก็หายไปจากกิจใจชาติด้วยคนจะตัดกิเลสประเภทนี้ได้ขาดมีเฉพาะปาราหันพวกเดียวเท่านั้นเองคนอื่นก็ไปตัดเข้าไม่ได้อย่างดีก็แค่ลดความรุนแรงเท่านั้นเพราะตรงนี้มันก็เหมือกนกระตะก่อนแต่ลักษณะของดีวอร์นก็เหมือนกันกบฝุ่นระดับหนึ่งที่ลอยตัวอยู่ข้างบนข้างล่างมันก็มีตะก่อน คือถ้าเรามองและเรารู้ด้วยความรู้สึกเราข้างล่างเราก็เรียกว่าตะกอนแล้วก็ตะกอนเหล่านั้นส่วนหนึ่งเนี่ยมันฟูขึ้นมามันลอยขึ้นมาตอ น, นเราเห็นเป็นน้ำขุนแต่ถ้าไม่ลอยมามากน้ำกระบนก็ยังใสแต่ลงก็มีน้ำอยู่สามช่วงช่วงกระบนนั้นใสรองลงมาก็ขุ น, ขน พอลึอกลงไปก็ปรากฏว่าเป็นตะกรหรือมองไม่เห็นก้นภาชนะนตะก ร, กรก็ปิดไว้ไอ้ที่คุณคุณนั้นก็คืออาการทางจิตที่เราเรียกว่า น, นิวรณ์ที่นอนอยู่ข้างล่างเราเรียกว่าสังโยชน์บ้างเกอนุสัยบ้างเรี ย, าา ย, ารยอาสวะ บ, าาาบา้างคันธะบ้างโยคะบ้างอาสวะบ้างก็แล้วแต่จะเด็กแต่ข้างบนมันก็ใส ระดับศีลธรรมจัญญาจึงไม่ได้หมายความว่าคนนั้นหมดกิเลสเจตวากิเลสนั้นได้ถูกควบคุมเอาไว้ระดับหนึ่งตะแรงกระแทกไม่แรงน้ำความขุ่นเหล่านั้นก็ไม่ฟูขึ้นมาถึงข้างบนแต่ถ้าเราดูว่าอะไรที่ทำให้น้ำข้างบนมันขุ่นด้วยมันเกิดมาจากตะกอตัวล่างนั่นเองแต่ก็เกิดขึ้นมามาก ก็ทำให้ความขุ่นมันก็จายทั่วแก้วใบนั้นอาการก็กิเลสก็ปรากฏออกมาพระเจ้าก็ส่งบัญญัติเรียกที่แตกต่างกันซึ่งการบัญญัติเรียกแตกต่างกันมันก็บัญญัติอย่างนั้นเรื่องดูอีกง่ายๆอย่างหนึ่งก็คล้ายๆกับภาชนะที่เราใส่ของหวานใส่น้ําส้มหรือน้านําบานอะไรก็ตามล้วก็ใส่น้ําแข็งเอาไว้ รจิบข้างบนที่จริงไม่ถึงก็หวานไม่ถึงกับเปรี้ยวมากพราะพวกความหวานความเค็มหรือความเปรี้ยวมันตกอยู่ข้างล่างแต่ดื่มไปดื่มไปเนี่ยความเข้มข้นของความหวานความเปรี้ยวความเค็มในเรื่องนั้นๆก็จะเพิ่มมากขึ้ น, นแต่ลักษณะเหล่านี้จึงมีให้เห็นโดยธรรมชาติว่าเป็นเรื่องเดียวกันนั่นเอง ไม่ได้ใจมาจากไหนเป็นเรื่องเดียวกันก็ต่อเนื่องกันตะกนที่ทำให้น้ำขุนทั้งหมดก็คือตะกอนข้างล่างตะกอนที่ทำให้ขุนครึ่งแก้วมก็คือตะกอนมาจากข้างล่างหรือตะกอนที่สงบอยู่ข้างล่างเลยไม่ได้ฟูมาจากข้างขึ้นมาข้างบนมันก็คือตะกอนนั่นเองเป็นเรื่องของพระสัพพัญญุตญาณที่ทรงรู้สภาพจิตในแต่ละขณะ พอสิ่งต่า น, นี้พอเกิดขึ้นมันทาปฏิกิริยาต่อจิตแตกต่างกันมีแรงมีแรงกระไทยกระทันมากน้อยไม่เหมือนกันก็ทรงใช้คำเรียกให้คนมองเขียนเป็นภาพทีกิเลส ข, ข้างล่างกรได้คลียดดังกล่าวแล้วกิเลสประเภทกุ่มรุมใจก็ก็ไม่อื่นไปจากนั้นหรือไม่อื่นไปจาก โ, กโรกปวดตุเพียงแต่อาการมันกลุ่มรุมใจ ใจมันขุนมัวใจมันเศร้าหมองใจมันสายทีนี้ถ้าก็ขึ้นมาแรงๆแล้วก็หมดแล้วก็ออกมาข้างนอกท่านเรียกกิเลส ท, ที่ล้นถามวาล้นมาจากไหนก็ล้นมาจากตะกรันข้างล่างนั่นเองตกลงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเดียวกันเรียกชื่อแตกต่างกาันตามลักษณะอาการตามความเข้มข้น หรือบางอย่างเนี่ยต้องการจะเรียกให้คนอีกกลุ่มหนึ่งก็เข้าใจบางคนเรียกวัตรกรใจไม่อเข้าใจเรียกเครื่องผูกใจก็ไม่เข้าใจก็เรียกเครื่องผูกมัดเรียกโรกงขังเรียกสิ่งที่หมักหมมสิ่งที่หมักดองความว่าสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นสื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจสมหรับกลุ่มคนนั้นๆ เวลาท่านสังกายนาท่านก็ออกมาทั้งหมดมารวบรวมไว้ทั้งหมดเวลาการพูดการสดแสดงก็ใช้ใช้คําหลายๆคำเผื่อว่าคํานี้คนกลุ่มหนึ่งเข้าใจแต่อีกคนกลุ่มหนึ่งยังไม่เข้าใจก็ใช้คํานี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจนั้นแพร่หลายมากยิ่งขึ้นทัางๆ ท, ที่เป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันเพราะกิเลสลราเนี่ย พระเจ้าก็ส่งสอนให้มองเห็นโทษไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามคือเป็นโทษทั้งนั้นมีลักษณะเหมือนกับไฟมีลักษณะเหมือนกระดาษพิษมีลักษณะเหมือนกับอัศรพิดแต่ว่าจริงแล้วเราก็มองอีกทีหนึ่งว่าพวกอัศรพิดก็ดีจะดพิดก็ดีหรือแม้แต่อสศรพิษก็ดี คนฉาดนั้นสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อะไรเป็นเหตุให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งรั้นได้ก็คือปัญญาที่รู้จักสิ่งเหล่านั้นทุกแง่ทุกมุมแล้วควบคุมทิศทางการใช้สอยสิ่งเหล่านั้นเราก็ใช้ได้ในขณะที่กิเลสเป็นไฟกิเลสก็เป็นไฟคือหยางได้ในขณะที่กิเลส เ, เ, เ, เ, เป็นเหมือนอัสรพิ เ, เรรอสรพิษ เอาพิษจากอสราพิษมาทําประโยชน์ได้ตัวการจึงเกิดไปอยู่ที่ปัญญาว่าปริมาณก็ปัญญาของบุคคลมีมากพอไหมที่จะใช้ประโยชน์ในจุดนี้ถ้าปริมาณก็ปัญญามากพอเราก็ใช้ประโยชน์ได้ท่านก็สอดให้ดูในกรณีของสังโยชน์เนี่ย โค้สงสอนศรีดูอาการของเขาเวลาก็ฟูขึ้นรับอารมณ์อย่างที่บอกไว้แล้วว่าการจะรับอารมณ์และเกิดความยินดียินร้ายนั้นจะต้องเป็นอารมณ์ที่มีพื้นใจจิตอยู่ก่อนมหมื่อความมารารู้สึกชอบรู้สึกชังสิ่งเหล่านั้นโดยตรงหรือใกล้เคียงกันหรือคล้ายคลึงกันเรามีความรู้สึกเหล่านั้นมาก่อน เาะท่านจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราเกิดไม่ชอบอาการของคนคนหนึ่งแล้วเราเก็บความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ต่อมาคนอื่นทําอาการอน่าเดียวกันเราไม่ชอบอีกแล้วพอคนอื่นมาทาเราก็ไม่ชอบอีกแสดงว่าเราไม่ชอบตัวอาการเราไม่ชอบคำพูดเราไม่ชอบตัวอาการไม่อยู่ที่ใครทํา แต่ว่าดูดีเขาทำอย่างไงเช่นว่าคําด่าเนี่ยนายก็ด่าเราไม่ชอบเราเก็บความรู้สึกตอนนั้นเอาไว้ต่อมานายขอคํานั้นเองไปด่าเราก็ไม่ชอบอีกนายขอไปด่าเราก็ไม่ชอบอีกเพราะฉะการไม่ชอบมันก็เกิดขึ้นมาจากการที่เราเก็บความไม่ชอบเอาไว้แต่ถ้าเราไม่เก็บไว้เขาจะด่าสักกี่ครั้งเราก็ไม่โกรธเพราะเราไม่รู้มันหมายความวาอย่างไร อย่างเช่นสมมติเขาด่าด้วยภาษาที่เราไม่รู้ความหมายก็ด่าไปกี่ครั้งก็ได้เราไม่มีเชื้อภายในใจเราก็ไม่โกรธทักจีนั้นเพราะมันก็กลายเป็นแรงบวกหมายความว่าภายในใจเราต้องมีเชื้อแล้วก็มีอารมณ์ในลักษณะนั้นหรือใกล้เคียงกัน ตามที่เรากำหนดเอาไว้คือดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ก็แล้วแต่เราจะกำหนดเอากิเลสประเภทโลภะโทสะมันจะเกิดขึนแต่นิวรณ์ที่กล่าวไว้ในวันก่อนนั้นสังโยชน์ที่กล่าวไว้ในวันก่อนนั้นเป็นสังโยชน์ประเภทโมฆะคือความหลงเกิดความหลงผิดเกิดความเข้าใจผิด ที่ไปคิดว่ามีตัวมีตนหรือเป็นตัวเป็นตนที่นำไปสู่ความเป็นเราเป็นของเราแล้วก็เขาของเขาซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ไปสังเกตว่าในแง่สินธรรมจัน ญ, ญานนั้นเขาไม่ว่ากันเพราะในสินธรรมจัร ญ, ญาที่จริงเราก็มีตั้งเราทั้งเขาแล้วก็มีของเราของเขามีพวกเรามีพวกเขา แนวของศีลทั้งหมดโดยเฉพาะดูตัวอย่างง่ายๆคือศีลห้าทำไมจึงพูดเจอแต่ศีลห้าไปปล่อยในพระบาลีจริงๆครับคุณเจ้า ก, ก็เน้นที่ศีลห้ามากเพราะอะไรเพราะศีลห้ามันหมดแล้วทรงแสดงไว้โดยสรุปหมดแล้วที่จริงก็แค่สีข้อแรกเท่านั้นเองก็หมดแล้วปณิธนิบาตนั้นเป็นเรื่องของตน เมื่เกิดมาสักกายทิฏฐินั่นเองคือความเห็นว่าเป็นตนเป็นตนคนอื่นก็เป็นตนด้วยเราก็ยอมรับรเขาเป็นตนตกลงว่าศีลปานาทินากาเมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเรากับของเราเขาก็ของเขามันไม่ใช่เรื่องอนัตตาอะไรแต่ระดับของจิตธรรมแต่นั่นเองเป็นการพูดในแนวสมมติสัจจะ เป็นความจริงระดับสมมุติไม่ใช่ความจริงระดับปรมาทัตแต่จะต้องเข้าใจอีกระดับหนึ่งว่าคนที่เข้าถึงความจริงระดับปรมาทัตนั้นจะยอมรับสมมุติยิ่งกว่าคนที่อยู่ระดับสมมติจะอีกเพราะท่านมีความละเมิดทไมเพียงแต่ ม, มายึดติดเท่านั้นเองแล้วในจุดนี้ที่จริงแล้วก็คือสืบสาวมาจากสักการะิติิซึ่งเป็นสังโยชน์ ความเห็นเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรายอมรับเขาไปเลยว่าเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเป็นเขาจริงเป็นของเขาจริงของเราเราก็รักเป็นเราเราก็รักเป็นเขาเขาก็รักเป็นของเขาเขาก็รักทํายังไงในจุดนี้อย่าล่วงเกินกันเรารักเรา เขาก็รักเขาเพราะฉะั้นเราไม่ร่วงเกินเขาจะทำให้บาดเจ็บให้ทุกทรมานจนถึงกันล้มตา ย, เ, ยเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันในจุดนี้ท่านใจเห็นว่ามันสาธารณะทั่วไปแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นความรู้สึกร่วมกันของสรรพสัตว์พระเจ้าจึงสอนในรูปปานาปานะคือลมหายใจแม้ความสิ่งมีลมหายใจทั้งหลายเนี่ย เขารักชีวิตเขาทนุถนอมชีวิตเขายึดติดในความเป็นตัวเป็นตนเราก็ยังยึดติดในความเป็นตัวเป็นตนเพราะงั้นเคารพชีวิตกันไม่ล่วงเกินกันไม่กระทบกระทั่งกันทิวิเจ้าทรงสอนว่าสาตัังหลายนั้นกลัวต่ออาดยาคือกลัวต่อความจะปวดเราเองก็กลัวต่อความจะปวด เคนควรทำตัวเองเป็นอุปมาคืรเทียบเคียงเพราะเราก็กลัวความเจ็บปวดคนอื่นก็กลัวความเจ็บปวดเพราะงั้นเราก็ไม่ฆ่าและไม่ใช้คนอื่นฆ่าเพื่อไม่ต้องการสร้างความเจ็บปวดให้แก่คนอื่นแต่การสร้างเหล่านั้นไปนสังเกตว่าในแง่ของทุกข์ในแง่ของสมุทยัยคนที่ถูกเราฆ่าเราทำให้บาดเจ็บให้เป็นอันตรายนั้นก็เกิดทุกข์ ผลที่เป็นรูปความทุกข์นั้นเขาเสวยก่อนแต่ผลของสมุทัยคือผลของบาปเราเป็นคนรับเขาไม่ได้รับผลของบาปเขารับผลต่อเนื่องกันเองเขาก็คงต้องตายสมมติว่าถึงข่ า, ายแตยเขาก็คงต้องตายแต่เวลาตายก็ไปตามกรรมของเขาที่เขาตายเพราะกรรมของเราจริงแต่ว่าเมื่อตายไปแล้วเขาก็ไปตามกรรมของเขา ก็ทำดีเอาไว้ก็ เ, เกิดในสถานชีดเดียวแพ้วมงทีโจรไปฆ่าเอาคนระดับพระอราหันต์โจรก็ตกนรกไปหรือผลบาปเหล่านั้นพระหันตั้งก็ตายงานานิพพานแต่ก็นิพพานไปบางทีคนกำลังนั่งสมาธิอยู่ก็อยู่ในสมาธิอยู่ในฌานถูกคนฆ่าตายก็ เ, เกิดเป็นพรหมไป เพราะเราก็ทำได้แค่ร่างกายครับแต่ทำลายจิตใจก็ไม่ได้โดยเฉพาะจิตใจที่พันคงผลบาปเราก็เป็นคนต้องรับเพราะฉะเราจะพบว่าในจุดนี้ที่จริงก็มีตนมีมีเรามีเขาอยู่เรียบร้อยเพียงแต่ว่าเกิดการเคารพจิตชิในชีวิตไม่ล่วงเกินติดกัน ทรัพย์สินคู่ครองก็คือของเขามันเกิดจากความคิดของเราแล้วก็นำไปสู่ของเขาก็แสดงว่ามีสักยะทิฏฐิเรียบร้อยแต่ความเข้มข้นไม่รุนแรงไม่ถึงกับเป็นวิกฉสันจีแบบสัตว์ดิรารหรือแบบภาวะสงครามนี่คือแนวของสิธรรมจัญญาท่านทั้งหลายเจ็นว่าไม่ใช่ไปปฏิเสธว่าไม่มีตัวตนหรือไม่มีเราไม่เขาก็คือมีเรามีเขามีตัวมีน เพียงแต่ว่าให้อยู่ในจุดการเคารพกันไม่ร่วงเกินกันก็ลดส ก, กญญายยะทิ่ฐิลงไปกระดับหนึ่งพอถึงระดับธรรมะมันก็ประนีตเกินไปอีกชั้นหนึ่งหมายความมายังไงเราเข้าใจเรื่องความไม่เป็นตัวเป็นตนในสูงขึ้นก็ทำให้รู้สึกว่าเรากับพวกเราพอเราก็เกิดแนวคิดนแนวที่เรา แสเพตตาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นแนวคิดที่เป็นสากลสูงขึ้นโอคงมีเรามีเขาแหละแต่ว่ามันลดความเป็นเราเป็นเขาลงไปก็กลายเป็นเรากับพวกเรามีความเอื้ออาทรมีความห่วงใ ย, ยกันดูสภาพของครอบครัวถ้าอย่างยงสึกว่าเป็นเรากับพวกเราลูกของเราสามีปัญญาของเราพ่อแม่ของเราคนใชขน้ของเราเพื่อนผูงของเราวงสาวนายาของเรามันก็เอื้ออาทรกันก็ธรรมะมันก็สูงขึ้น การาฏิบาติมันก็แปลสภาพมาเป็นเรื่อยมาประนีตขึ้นมาก็เป็นเมตตาการเลี้ยงชีวิตของเราถึงอาจจะเปะไปเปมาอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกถึงสิบสองระดับสิบสองระดับนั้นหมายความว่าแปด ร, ระดับแรกนี่ย่ำแย่กิเลสแย่บาปแย่สร้างความเดือดร้อนแยมีจุดบกพร่อง ยิ่งย้อนกันพอถึงระดับ90มันก็อยู่ระดับคนดีในสังคมจี12อมันก็กลายเป็นคนที่เข้าถึงอริยธรรมเป็นการแส ด, แดงถึงความจางไปกอ็อัตตาและความมาตัวตนเราลดลงไปเนี่ยจะมีการประนิะนอมมีการประสวนประสานประโยชน์กันสูงขึ้น กระร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมกันสูงขึ้นเอกภาพทางความคิดมากยิ่งขึ้ น, นแสดงโมหะมันก็จางลงไปพอมาถึงจุดของธรรมะที่ประณีตคือระดับที่เราแผ่เมตตาระดับจเจริญพรหมิหารท่านจะเห็นว่าเป็นสากลสมขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือการขูดเกลาขูดเกลอกิเลส ก็าทำนองคล้ายๆกับเราต้องการเราเพิ่มน้ำบริสุทธิ์ลงไปเพื่อจะสลายความขุ่นข้นมาตอนใหม่ๆก็อาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ก็เพิ่มกันไปเรื่อยๆความขุ่นข้นมันก็ลดลงไปเรื่อยๆปริมาณ น, น้ำใสก็เพิ่มขึ้นยังแนวความคิดบางอย่าง บางทีก็เป็นเรื่องเด็กเล่นเด็กเล่นน้ำเอามือไปแกว่งในน้ำน้ำขุนออกไปน้ำใสเข้ามาน้ำคงคาไหลรินไหลรินเราจะว่าเป็นแนวของคติธรรมน้ำขุนออกไปก็คือการละความชัว่วน้ำใสเข้ามาก็คือการเพิ่มพูนความดีจนน้ำคงคาไหลรินก็คือใจมันไหลไปถูกกระแสของธรรมะ ป้นถึงจุดหนึ่งทาเรียกว่ากระแสะของเมตตากระแสะของกรุณาก็คล้ายๆกับเย็นคือเป็นน้ำที่มันเย็นมันไปสงบระงับดับไปความเร่าร้อนด้วยเพลิงกิเลสทั้งหลายเรากลับมาลองดูที่ตัวอัตตาคือตัวสักกายะที่ว่าเป็นตนเป็นของตนเราไปในที่ใดถ้าเรารู้สึกว่าเราใหญ่อย่างเดียวนี้ยุ่งเหลือเกินฮะ จะเดือดร้อนเรื่องที่นั่งที่ยืนคนเดินถามผ่านหน้าคนเดินเบียดคนเดินตัดหลังคนมานั่งไกลามานั่งเสมอเราจะเดือดร้อนไปหมดรู้สึกว่าคนเหล่านั้นไม่เคารพเราไม่ให้เกียรติเราไม่ยกย่องเราจะกินจะดื่มอะไรก็เป็นเรื่องใหญ่โตไปหมดเลยตัวยุ่งจริงๆก็คืออัตราท่นเองอัตราเรารู้สึกมันมาก ต้องใหญ่ต้องโตจะไปไหนก็ไปคนเดียวไม่ได้ต้องมีประวัตาสตรบริวารล้อมรอบลอมหน้าล้อมหลังที่จะกินอาหารจะกินหรือแม้แต่ภาชนะที่จะใช้แก้วน้ําธรรมดาก็ใช้ไม่ได้อัตรามันใหญ่นั้นก็คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดว่าถ้ามันเกิดเปลี่ยนแปลงเราควรจะได้ที่นั่งอย่างนี้พอไม่ได้ที่นั่งอย่างนี้เกิดโทษสาแล้วแต่การอยากได้ที่นั่งอย่างนั้นมันเกิดโลภะ โลภะเพื่ออะไรเพื่อปลนปลื้ตนกับอัตตาตนมันเรารู้สึกว่าตนมันใหญ่เมื่อตนใหญ่คนต้องยอมให้เราใหญ่ถ้าไม่ยอมให้ใหญ่เราเกิดโทสะตัลงวิจัยก็ถูกเผาลนเลนด้วยกิเลสแข่งโลภะโทสะโลภะโทสะมันก็แข่งแต่ตัวที่ยึดถือตนเนี่ยที่จริงมันเป็นโมหะเป็นความหลงแล้วค่อนข้างจะเข้มข้นนะจึงได้เดือดร้อน ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป